กายะวิเวกหรือกายาวิเวกสําคัญมากแต่ว่าเบื้องแรกกายยะวิเวกสําคัญนะเมื่อเรามาอยู่กายยะวิเวกแล้วจะนึกถึงคําพระสารีบุตรเทศไว้เกี่ยวกับกายยะวิเวกความสงัดกายจิตตาวิเวกความสงัดจิตอุปธิวิเวกความสงัดอุปธิสงบระ ง, งับสังขารทั้งปวง คือพระนิพพานแต่บางคนพูดว่าไม่สำคัญหรอกถ้าใจเราสงบแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้จริงอยู่แต่เบื้องแรกให้เห็นว่ากายวิเวกเป็นที่หนึ่งให้คิดอย่างนี้วันนี้หรือวันไหนก็ตามท่านมาหาเข้าไปนั่งอยู่ในป่าช้ากใกล้ๆบ้านลองดูให้อยู่คนเดียว หรือท่านมหาจะไปอยู่ที่ยอดเขายอดหนึ่งซึ่งเป็นที่หวาดเสดุงให้อยู่คนเดียวนะเอาให้สนุกตลอดคืนแล้วจึงจะรู้จักว่ามันเป็นอย่างไรเรื่องกายวิเวกนี่แม้เมื่อก่อนอัตมาเองก็นึกว่าไม่สาคัญเท่าไหร่คิดเอาแต่เวลาไปทำดูแล้วจึงนึกถึงคาสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้ไปหากายวิเวกเป็นเบื้องแรก เป็นเหตุให้จิตตาวิเวกถ้าจิตตาวิเวกก็เป็นเหตุเกิดอุปธิวิเวกเช่นเรายัางรองเรือนกายยววิเวกเป็นอย่างไรพอกลับถึงบ้านเท่านั้นต้องวุ่นวายยุ่งเหยิงเพราะกายไม่วิเวกถ้าออกจากบ้านมาสู่สถานที่วิเวกก็เป็นไปอีกแบบหนึ่ง อาจารย์ช่วยชี้แนะผิดถูกฉะนั้นต้องเข้าใจว่าเบื้องแรกนี้กายวิเวกเป็นของสำคัญเมื่อได้กายวิเวกแล้วก็ได้ธรรมะเมื่อได้ธรรมะแล้วก็ให้มีครูบาอาจารย์เทศให้ฟังคอยแนะนำตรงที่เราเข้าใจผิดเระที่เราเข้าใจผิดนั่นเหมือนกับเราเข้าใจถูกนี่เอง ตรงที่เราเข้าใจผิดแต่นึกว่าถูกถ้าได้ท่านมาพูดให้ฟังจึงเข้าใจว่าผิดที่ท่านว่าผิดก็ตรงที่เรานึกว่าถูกนั่นหละอันนี้มันซ้อนความจริงของเราอยู่